วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2553เขา้าพรรษามาก็เลยเดินครึ่งมาแล้วพวกเราทุกท่านผู้ที่เดิมาวัดผู้สิทธุระภาระเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าประชาชนอาชีพวิชาอาชีพต่างกัน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 ว่าเรื่องเป็นของเล็กน้อยเราควรจะรักษาศีลซะเราควรจะภาวนาซะอย่างเนี้ยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่เรื่องทานเนี่ยเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีโดยมากภาษาวกทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าหรืออ克拉สากที่ท่านได้บรรลุธรรมหรือว่าได้ท่านได้ริบได้ไดีมา ท่านเหล่านั้นจะเรื่องโดยมากที่ได้ศึกษาดูในพระไตรปิฎกท่านจะเน้นหนักเรื่องทานะคือการทำทานอย่างพระสารีบุตรหรือพระโมคขาลานะี่ก่อนที่ท่านได้จะได้บารมีใหญ่ท่านก็ทำทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างพระศิวะดีท่านก็ทำทานซะก่อน ท่านถึงตั้งความปรารถนาโดยมากสาวกประวัติหรือว่าสาวิกาประวัติสาวกาก็คือฝ่ายพระสงฆ์สาวิกากคือฝ่ายผู้หญิงท่านจะเน้นหนักเรื่องการทำทานอย่างที่จิตจติกรรหาบดีในครั้งพุทธกาลคงเหมือนกันกิตติกรหาบดีท่านได้ไปกราบพระพุทธเจ้าปฐมุตระได้ถวายทานครั้งใหญ่ ท่านเป็นเศรษฐีอย่างนั้นท่านเมื่อถวายทานเจ็ดวันแล้วท่านตั้งความปรารถนามอว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอุบาสกผู้แตกฉานในอัตในธรรมเหมือนกับสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านนี้ด้วยเทินคือพระพุทธเจ้าปทุมุตระท่านเข้าในถ้มกลางสูง ท่านประกาศว่านี่เนี่ยผูบาสกท่านนี้เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเขาตั้งความปรารถนาใหม่นครั้งพุทธกาลแต่บัดนี้ความปรารถนาของเขาสําเร็จคือเขาเป็นผู้แตกฉานในอดในธรรมของเราตถาคตอันนี้คือพระโพธิเจ้าท่านประกาศประทุมุตระแต่ฝ่ายโยมเป็นเศรษฐีนี่ก็ เราต้องการตำแหน่งนี้ล่ะตำแหน่งที่ได้รับว่าเป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมเป็นผู้กล่าวแสดงธรรมให้แก่อุบาสกทั้งหลายฟังอุบาสิกาทั้งหลายฟังด้วยว่าใครมีความข้องใจในธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้ามาถามไม่ใช่ว่าพระก็ถามโยมถามโยมคนนี้ได้นี้รับเอตธัคะ ทนนี้เศรษีท่านนั้นก็เลยอยากจะได้ตำแหน่งนี้จากนั้นก็ทำบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมุตตละจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาก็ขอให้ข้าพุทเจ้าได้เป็นอุบาสกผู้แตกฉานในอัตในธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเทิดพระพุทธเจ้าปทุมุตตละท่านก็มองมองในอนาคตว่าวิญญาณวิญญาณหรือใจของท่านผู้นี้นะ โยมพวกนี้ที่ขัดตั้งความปรารถนานั้นจะได้สําเร็จไหมท่านก็มองพโพสไปในอนาคตท่านจะได้สําเร็จเป็นอุบาสกท่านหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะชื่อว่าจิตตกรหบดีนะความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาจากนั้นอุบาสกนั้นก็เวียนไหวตายเกิด ในวัตะสงสารลุ่มรุ่ ม, มดอนดอนสูงสู ง, สงต่ำต่ำไม่ใช่ว่าได้รับพยกรณ์แล้วไม่ใช่จะสูงทีเดียวไม่ใช่นะตกทุกข์ได้ยากก็มีจากนั้นท่านก็ชาติหนึ่งถ้ามาเกิดเป็นนายพรานเป็นลูกของนายพรานลูกของพานป่าจากนั้นท่านก็เป็นพานก็เข้าหาล่ามือในป่าเหมือนกับพ่อว่างั้น่ะเรี่ว่าการบำเพ็ญ มลมีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะราบรื่นทุกทุกภพทุกชาตินะบางพบบางชาติเขาโอ้เป็นโจรเป็นนักเลงเป็นพาลชนเป็นนายพรานหาล่าเนื้อเลี้ยงชีพก็มีเลแต่จิตตะกระหบดีท่านก็เป็นลูกของนายพรานจากนั้นท่านก็เข้าไปในป่าเป็นพรานป่าเมื่อพ่อตายแล้วก็ท่านก็นทําหน้าที่เป็นพรานหาล่าเนื้อมาเลี้ยงครอบครัววันหนึ่ง ท่านไปเดินไปในป่าไปเห็นพระภิกษุท่านอยู่ในเงื่อมผาเล็กๆเงื่อมหินเล็กๆท่านคงนั่งภาวนาของท่านท่านออกมาบินทบาทไม่ได้เพราะฝนตกฝนตกหนักมาเนี่ยท่านมานั่งภาวนาของท่านพลานนัก็ไปไปเห็นพระที่นั่นนั่งอยู่ในถ้ำโอ้ท่านคงไม่ได้อาหารเนี่ยท่านอยู่ในถ้ำเนี่ยมาเห็นวันสองวันแล้วท่านก็ออกไปไม่ได้เลย ผานคนนี้ก็เลยเรียบกลับมาในบ้านมาก็มาจัดการอาหารที่ตัวเองได้มาแล้วก็หุงข้าวอะไรเรียบร้อยก็เห็นพระภิกษุบิณฑบาตในบริเวณบ้านตัวเองอีกก็จัดให้แม่บ้านและลูกพวกลูกดูแลพระสองฆ์อีกสององค์ตัวเองก็ได้อาหารและก็เก็บดอกไม้ตามทางไปแต่คงจะเป็นหน้าฝนดอกไม้ไปด้วยก็เลยไป ไปถวายอาหารเพื่อถวายอาหารเสร็จแล้วกถวายดอกไม้ด้วยขอให้เข้าไปเจ้าเกิดพบไราชาติใดขอให้เข้าไปเจ้ามีสติปัญญาแล้วก็ได้ทำที่พระผู้พระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุแล้วด้วยเทินแล้วก็ บ, บูชาดอกไม้แต่พระที่ท่านนั่งอยู่ในธรรมนะ่ยท่านเป็นพระอาหารหันต์บุญกุศลประว่าเต็มเปี่ยมเลยท่าน จากนั้นเกิดมาพบนั้นชาตินั้นท่านก็นไปสู่สวรรค์อีกพอมาเกิดในชาตินี้ทถเนี่ยมาเกิดเป็นชาตินี้เกิดในเขตกรุงราชคัก์เป็นลูกเศรษฐีพอเกิดมาในวันเกิดมาเนี่ยดอกไม้ทิพย์หล่นออมาจากอากาศเต็ม ไ, ไปหมดเลยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าจิตกุ ม, มารจากนั้นพอใหญ่ขึ้นมาก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระเถระท่านหนึ่ง ท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันอากนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีดังนั้นเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าเป็นอุบาสกที่แตกฉานในอัตในธรรมของเราตถาคตอันนี้ก็คือเรื่องของการทําบุญท่านไม่ได้มองข้ามมาเรื่องทานเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งบา ร, รมีทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าผิดเหมือนกัน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 คนที่มีความกระตันยูและน้ำใจมันอยู่ในเมืองไทยของเราแต่ฟังๆโดยแล้วต่างประเทศของของน้ำใจหนึ่งกรตันยูน่ะไม่รู้จะเอาสัพ์ไหนมาใส่มันมันจึงจะเหมาะสมแต่เมืองไทยเราพอพูดเท่านี้แหละกระตันยูกับน้ำใจแปลว่ารู้กันเลยให้พวกเราดูดูนะภาษาอังกฤษสับไหนที่ว่าเขาบอกว่ากระตันยูหนึ่งกระตันยูตะเวทิตาเนี่ยรู้จักพระคุณ แล้วก็เนี่ยรลกน้ำใจโดยมากไม่ค่อยมีในหลักของพุทธศาสนาหนึ่งหลักนี้เป็นหลักใหญ่พอสมควรสรุปแล้วก็คือคนให้มีเมตตาให้มีน้ำใจต่อกันถ้าโลกทั้งโลกไม่มีมมเมตตาไม่มีน้ำใจต่อกันมีแต่เอาแต่ใจตัวเองไม่เห็นแก่ใครทั้งหมดความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นนะในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนานสอนให้พวกเรา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 บุคคลหาได้ยากสองอย่างคือบุพภการีบุคคลผู้มีอุปการะกร์กรักตันยูกัตเวทิตาเมื่อท่านมีอุปการะคุณกับเราแล้วตอบแทนพระคุณท่านนี่แหละบุคคลหาได้ยากแต่มาเรามาขยายผลอีกว่าบุพภการีของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้สอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษ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 ทุกหมู่เหล่าถ้าใครคิดได้อย่างนี้ตรวงพ่อว่าความเดือดร้อนวุ่นวายเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจะไม่เกิดขึ้นในชุมชนในประเทศชาติของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นค่าในเลิอดประเสริฐกว่าใครทั้งหมดคนอื่นผิดหมดค่าเนี่ยกลุ่มของค่าเนี่ยแหละถูกต้องที่สุดเหยียบย่าทาลายกลุ่มอื่นดูแลไม่เคารพสิทธิของคนอื่นเขา คนน้าก็ไม่เคารพสิทธิคนนี้คนนี้ก็ไม่เคารพสิทธิ์คนนั้ น, น, น, นต่างคนก็ต้องไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันมันก็เหมือนหมาป่าอะไรเล ย, เ, ลยเหมือนสัตว์ป่านะตัวไหนมีกลุ่มใหญ่ตัวไหนมีอํานาจมีเขี้ยวมีเล็บกันตัวนั้นก็ชนะมันเหมือนสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์ถ้ามนุษย์มีคุณธรรมแล้วต้องรู้จักเมืองไทยของเราเนี่ยส่งคนไปเรียนต่างประเทศเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่แต่ละปีไปเพื่อ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 ถ้าคนใดทําอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่ารมเย็นเป็นสุขนะตัวเองรมเย็นเป็นสุขหมู่คณะพี่น้องประชาชนญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่ารมเย็นเป็นสุขพ่อรู้จักประมาณตนนะตอนนี้ไปรับพรอนโมตนาให้พร